บริวา อ, อีสานบริวารภาษาบา้านเฮ้านานเว้ยเดี๋ยวจะเรื่อภาษาบ้านเฮ้าเมื่อนี้สิบกภาษาบ้านเฮ้าให้ฟังเมื่อนี้เป็นวันที่สิบปดพฤจิกายนพุทธศักราชสองพห้ารอยห้าสบแปดวันนี้เป็นวันขึนแปดคำเดือนสิบสองวันพระนาเนี่ยเป็น เรือน12เพนหน้าวันร้อยกระทงเป็นวันพระใหญ่เวบเป็นวันสิ้นปีของจันทรคติแล้วก็พระในวัดของเฮ้าคณะดีก็มีอยู่40องค์พระอยู่ในวัดนะลงมาฉันเมื่อ น, นี้29เปิ่นบุรลงมาฉัน1 0องค์มเมื่อ น, นี้ก็เป็นวันปฏิบัติธรรมของพัวเฮ้า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 เพช่วงเนี่ยเป็นช่วงเก็บเกีียวเกี่ยวเขา่ากำลังลงไห้ลงหน้าพอพวกเข้าอยู่นี่ชนนบทเกี่ยวกับการทำไรทำหน้าทำสวนเมือเ่อเนี่ยเรู้สึกว่าลูกหลานมีแต่คนหนาเก่าๆม่แต่พวกผูกเคยเขาวัดเขาว่ามาแล้วถึงอย่างไรก็ตามถึงจะบริสสมาท่านสินก็ให้พวกเข้าสมาท่านสินวิรัตเจตนา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 สินหนึ่งขาพระเจ้าจมูกขาสัตว์ออรักษารักษาศินสองนี่ยขาพระเจ้าจมกกินเหล่าขาพระเจ้าจะงดกินเหล่าในวันพลาดจริอๆรักษาศินสามก็ว่าไปล่ะตัวนี้อรักษาสินสี่ต่อไปก็ครบมากก็ครบสินหาเท่านั้นท่านาา่าฮั่บอเลบบอเลบนับหนึ่งเฉลยมันก บ, บดีขึ้นกันเนี่ยพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมเอ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 สินคอที่สามสามีภรรยาลูกหลานผู้ใดเขาก็หักข่าพระเจ้าจะเขารบเซตในสามีภรรยาลูกหลานของทุกคนถึงเฮาจะเข้าใจกันในครูแต่ว่าพอแมแย่งเบาอนุญาตอนันก็ย่างเป็นผู้พิสศิสินอยูเอ่เพราะนั้นข่าพระเจ้าจะ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 เฮ้ากับเป็นผูวมีสินเท่านั้นแหละบาดเอยสินของพระพุทธเจ้าเนี่ยสินคุมข้องโลกทำให้โลกทั้งโลกหล่มเย็นเป็นสุขคานว่าโลกทั้งโลกขาดศินในรรมเี่คุณธรรมสินใน ร, ร้ำจริยธรรมโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่พวกเข้าเห็นนี่แหละเดี๋ยวประเทศนั่นเดี๋ยวประเทศนี่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 ห้าอย่างนะมิจฉาคือมิจฉาชีพไปวันนีค้คือการค้าขายค้าขายที่เป็นมิจฉาชีพในหลักของพุทธศาสนามีอยู่หาย่างพระพุทธเจ้าห้ามพันพระพุทธเจ้าเว่าวตั้งแต่พุ่นี่ยตั้งแต่สองพันหาลอยหาสิบแปดปีให้หลังนะพระพุทธเจ้าพันตรัสพันบอกไปพวกสูเจ้าทั้งหลายอยู่น้ากัน อย่าไปทำมากค้าขายการค้าขายแบบนี้เพถูกต้องนะเนื่องค้าขายเครื่องประหารค้ขาขายประหารเคยเคยอย่งอางนับตั้งแต่เบ็ดตั้งแต่แหตั้งแต่ปืนผาหนาใหม่ระเบิดปรมนะาโน่เรื่องดำ้นามมันนะสื่อมาเพื่ออยังเพื่อขากันออย่าไปขายอย่าไปขายเครื่องประหารอย่าไปสื่อเครื่องประหานมาก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 อขอที่หาห้ามค้าขายยายาเม่าระยาผิดออแล้วก็นขอที่หาห้ามค้าขายยาพิษห้ามน้าน้ําเมาแล้วก็ันี่ยขอที่สีคาห้ามค้าขายยาพิษยออ่ยาพิษก็คือยาเบื่อยาข่ามาแล้งยาข่าสัดต่างๆแต่มีเป็นไปได้ครับงดซะ เพราะการเป็นเป็นม <aid> ิจฉาชีพการเบียดเบียนผู้อื่นนี่แหละลักท่ำข้าสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือสิลละร่ำจริยาท่ำข้ามนี่เขาเข้าเขาเข้าเขาเข้าเอข้าก็บอกอยากให้ผู้อื่นมาเบียดเบียนเข้าบอแมนว่าบารมีบออยากให้เบียดเบียนเข้าเขาก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาในเมื่อไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาเขาก็เดือดร้อนพอแม่พี่น้องของเขา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 ไอตีโมโหให้กับผู้อื่นหลวงพอก็ว่ามันกระบอถูกขึ้นกันได้กันพอ เ, เอาไปเกียดให้พอให้แม่ไปไปเตะ ล, ลูกหน่อยเขานะเต ะ, เตะลูกเตะหลานเขามันกระบอถืข อ, ข, อ, อ, อ, นะอขึ้นกันนะพอลูกหลานเขาพอจักอินโหนอินเหน็นะว่ามันเตะมันไปตัวเนี่ยมันกระเทือนผู้นั้นจังจันบ่หลวงพอกับบ่จักบ่อน้าขึ้นกันน่ะเพราะเหตุใดเพราะว่าเขาบ่างจักอีหยัง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 สำหรับพวกเข้าพีหนอกไปแช่ชนไปเขาไปทะเลาะกันเข้าก็จะไปรับหูรับทราบแล้วไปแย่ไปบอให้เขาผลใหุ้ดกันนะซึกซักซึกเขาบานเพิดว่าคนโนนบล้านเปิดว่าซักซึกเขาบานแค่แค่ว่าเขาทะเลาะกันอยูุ่่นตัวเองผนไปรับหูรับทราบอไปแสดงความคิดเห็นทําให้เขาโมโหโก้ท่าผลใหุ้ดก็เลยฮผ่านมัดทะเลาะกับผู้ไป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 เทาก็ใส่แบบร่วยในเมื่อมันจน เ, เศรษฐกิจแบบจนเทาก็ต้องใส่ตามจนตามเศรษฐกิจพ่อเพียงอย่างที่ผิดบอกทางรัฐบาลเขาโปรโมดหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะจะเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเพื่อกันการไปอยูย่มองไดแต่ลืมเจ้าของลืมเจ้าของลืมตัวาการใส่การใจเกินฐานะของเจ้าของทำให้ผู้อื่นทำให้ตนเองเดือดร้อน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 บ่ให้ขี่เกียรตขี่ข้านได้สันตุถีก็บจิ๋งยุ่อแต่หูจักประม่าณตนแต่ว่าการทำ ม, มาหาเลี่ยงชีพเพื่อนบดีสอนให้ขี่ข้านอุตฐานะสัมปทาให้ถึงพร้อมโดยความมันความขยันคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาคนมีปัญญาก็ยอมหาทรัพย์ได้คนขยันแล้คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้ถ้าคนโง่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 รัคาสัมปทากันระยะนมิรให้ครบเพื่อนทีดีงามครบมูเพื่อนอย่าไปครบนักเลงหัวใหม่อย่าไปครบคนมิจฉายฉีบมิจฉาชฉีบคือยัางแต่ยังที่หลวงพ่อได้พูดนะาการทํามาค้าขายเป็นนักเลงการนพ น, น่องพนันอบายวยมุกทุกอย่างาต่อไปพ่ายภาคหนาตาว่าเข้าครบค้นบอดีครบคนใด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 อย่าไปขดอย่าไปโกงอย่าไปป่นอย่าไปจี้อย่าไปเอาสิ่งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตมาเลี้ยงขอบขั้วเห่าขันว่าเอาของบอดีมาเลี้ยงขอบขับข้วเห่าขอบขั้วเห่าก็เป็นคนบคอดีขึ้นกันได้มาเลี้ยงลูกมันก็เขาในสายเลือดของลูกพอได้เงินมาจากไหนพอเด้เงินมาไปป่นเขามากไปขาเขามากไปขดไปโกงเขามากลูกของเขาก็เห็นพอเห็ด ลูกเข้ากับพ่อได้กินในข้อสายเลือดเดียกเ็เฮียนพอเนีนะพ่อเฮียนพอจะในกัติดคุกติดตะล่างธนาคารเออนี่ยพอหนันเข้าจะไปหาเสียใจพ่อเหตแต่พ่อเดือพ่อเข้าผ้าเขาเฮ็ดมากเตี่ยงชีวิตมาในทางที่บอชอบในเมื่อเลี้ยงชีวิตมาทางที่บ อ, อบเอบตะกูลของเข้าผูกเกลียวของของเข้าเขามันก็บอชอบไปด้วยอีกคือกันเพราะฉนั้นขอ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 เฮ็ดไปในทางที่ถูกต้องอย่าไปเฮ็ดทีสิ่งที่มันพิษที่มันบอดีบองง้ามบอมะบอมสมนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้หลวงพ่อได้บอกเป็นภาษาทางบานเห่าทองทินเท่าห้ได้ฟังทัวทัวกันแล้วก็ับพวกเข้าไปคิดดูสิว่าที่หลวงพ่อบอกไปไหอมันแมนบอแต่หลวงพ่อก็